คนประเภทไหนที่จะช่วยเหลือสังคมได้ดีแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้คนส่วนน้อยจะเห็นว่าศาสนาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเราได้ทุกอย่างก็จริงแต่ถ้าหากคนส่วนน้อยนี้เป็นคนที่มีการศึกษาดีเป็นคนมีอำนาจหรือมีอิทธิพลในสังคมหรือเป็นคนมีฐานะทางการเงินดีคนเหล่านี้เองถ้าหากได้รับการอบรมในทางศาสนา จนกระทั่งเขาสามารถจะทำให้จิตใจให้สบายอยู่ได้แล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานนะหรือในเหตุการณ์ใดๆก็ตามและเป็นคนที่สามารถนั่งสมาธิได้ทุกวันซึ่งนั่งเมื่อใดใจก็สงบทุกครั้งและทาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตลึกซึ้งขึ้นโดยลาดับคนกลุ่มน้อยประเภทนี้แหละซึ่งสมรรถภาพในตัวเขาเองเพิ่มขึ้นโดยลำดับและยิ่งมีอายุมากขึ้นสมรรถภาพก็ยิ่งเพิ่มพูนทวีมากขึ้น คนกลุ่มนี้ละ่ะที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมให้กับหมูใหญ่ได้โดยที่เขาจะรู้ได้โดยไม่ยากว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับสังคมได้เช่นช่วยขจัดความยากจนให้หมดไปจากสังคมขจัดการเอารัดเอาเปรียบให้หมดไปจากสังคมช่วยขจัดความหลวงผิดให้หมดไปจากสังคมปัญหาต่างๆในทํานองนี้เขาจะมองเห็นทางที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่ยาก การที่จะนำพระพุทธศาสนาไปให้กับคนทุกๆคนในระดับเดียวกันคือให้ทุกคนมีความรู้และการปฏิบัติเหมือนกันทุกๆอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เวลานี้แม้แต่คนซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถจะพัฒนาจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นและสามารถจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวางคนเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจริงๆและนาไปใช้ให้เกิดผลได้จริงๆ มันเหมือนกับว่าคนในปัจจุบันนี้ที่สามารถจะเรียนระดับมหาวิทยาลัยจนกระทั่งได้ปริญญาและมีความสามารถที่จะประกอบหน้าที่การงานให้มีผลจริงๆก็มีอยู่เป็นอันมากแต่ถ้าหากคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเราก็จะลายเห็นว่าทําให้ชาติต้องสูญเสียกำลังที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปมากและทุกคนก็ลเห็นแล้วว่า ถ้าหากในเมืองไทยของเราร่ำรวยไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของตัวเองจริงๆบ้านเมืองก็จะก้าวหน้าไปอย่างมากมายในทำนองเดียวกันการที่เราจะเอาพระพุทธศาสนาไปพัฒนาประเทศชาตินั้นอย่าลืมว่าจะต้องเอาไปให้แก่คนที่สามารถจะรับเอาไว้ได้และเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่งคนประเภทนี้ทุกวันนี้ก็มีอยู่เป็นอันมาก